การเจิตสติในงานการฝึกที่นี่มันก็มีอยู่สองอิริยาบถหลักอย่างที่ทราบดีนะก็คือเดินจงกรมแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะมันเป็นอิริยาบถ ท, ที่ช่วยให้การเจริญสติเป็นไปได้ดีขึ้นเจริญสติได้ง่ายขึ้นทำให้สติได้เติบโตเร็วขึ้นอย่างเวลาเดินจงกรมเนี่ยเราเดินกลับไปกลับมามันไม่เชียงแต่ ให้เราได้มาฝึกรู้กายเวลากายเคลื่อนไหวเวลาเท้าขยื่อนตัวขยับเราก็รู้สึกตอนที่เรารู้สึกว่ากายมันเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะถ้าใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนอกตัวไปอยู่กับผู้คนที่กําลังคุยกันหรืออยู่กับเสียงนกที่กําลังร้อง เรื่อวกัความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดใจจะไม่รู้สึกเลยนะว่ากายเคลื่อนไหวเหตการเดิมก็เป็นการเดินโดยอัตโนมัติแต่ใจไม่ได้ไปรับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวถ้ารับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นั่นก็แสดงว่าตอนนั้นใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่ามีความรู้สึกตัว แล้ในความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวก็เป็นตัวชี้วัดได้นะตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆนะสลหรับคนที่แสวงหาความรู้สึกตัวว่าอตอนนี้รู้สึกตัวหรือไม่มันก็ไม่ต้องดูอะไรมากก็ดูว่าตอนที่เดินเนี่ยยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันรู้สึกไหม แล้วการเดินเวลาเดินยงก็ลเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็เป็นการช่วยนะช่วยให้มีสติรู้สึกตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าความคิดเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันปรุงเป็นสายเป็นเป็นขบวนเนี่ยมันจะสะดุดนะเวลาเราวกกลับถ้าเราเดินยาวเป็นเส้นตรงเลยนะ ความคิดมันก็จะมีโอกาสที่จะยืดยาวไปเรื่อยๆเมื่อขบวนรถไฟหลายตู้แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยตอนที่เราเดินแล้วหยุดเพื่อที่จะวกกลับมานี่ความคิดมันจะสะดุดไปด้วยพอความคิดมันสะดุดหรือมันชะ ง, งักเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้สติเกิดขึ้นมานะอันนี้เราเป็นการสร้าง สิ่งว่ล้อมหรือตัวช่วยเพื่อให้สติทํางานได้ดีขึ้นเพราะว่าความคิดมันแรงนะสติมันจะเกิดขึ้นได้ช้าแต่พอความคิดมันเกิดอ่อนแรงลงเพราะมีการสะดุดนะมีการสะดุดมันก็เปิดช่องให้สติได้ทำงานหรือเกิดเปิดช่องให้ได้สติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เมื่อกี้เราหลงไปแล้ว แต่ถ้าความคิดบางอย่างมันแรงนะหรืออารมณ์บางอย่างที่มันแรงเนี่ยมันก็คงไม่สะดุดง่ายๆหรือไม่คงคงไม่ช ง, งักง่ายๆเวลาเราเลี้ยวกลับนะแต่ว่ามันก็ถือว่าในการที่เดินกลับไปกลับมานี่มันก็มีส่วนช่วยทำให้สติเราเติบโตมันเป็นตัวช่วยชะลอความคิดไม่ให้ไม่ให้เข้มข้นรุนแรง พอถึงแม้ว่าการเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันเราไม่เน้นเรื่องการห้ามความคิดแต่เราก็ไม่สนับสนุนนะที่จะให้ความคิดมันพุ่งพล่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงพูดคุยกันหรือว่าการหลีกเลี่ยงดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็เป็นการช่วยให้ความคิดมันเพ่าๆลงและ แต่เดียวกันเนเวลาเดินกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความคิดมันชะ ง, งักลงได้อ่อนแรงลงสักหน่อยให้สติพอที่จะงอหัวขึ้นมาแล้วก็มารู้ว่าเผื่อคิดไปแลละหรือว่ารู้ทันความคิดเวลายกมือสร้างจังหวะก็เหมือนกันนะจริงๆถ้าเราใหม่ๆเนี่ย เรายกมือสร้างจังหวะนี่เราก็ไม่ได้ยกมือกันเป็นสายเลยนะมันจะมีการชะ ง, งักเป็นช่วงๆนะแต่เวลาเราลืมตัวใจเราลอยเนี่ยเ ร, เราจะยกมือเนี่ยเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกันไปเลยนะมันจะไม่มีการชะ ง, งักหรือมีการหยุดสักวัตอันนั้นก็แสดงว่าตอนนั้นมันถูกความคิดเล่นงานไปซะแล้วเพราะถ้าหากว่าความคิด ไม่ถูกความคิดแรงงานเนี่ยทำด้วยความสุกตัวเนี่ยจะยกมือเป็นจังหวะแล้วก็หยุดรัดหนึ่งแล้วก็ต่อแล้วก็หยุดแล้วก็ต่อนะและแนนอนนะันเราไม่ได้ปิดตาเพราะว่าถ้าปิดตาแล้วเนี่ยง่ายมากที่บางคนจะไปเพ่งที่มือหรือม่เช่นนั้นก็อาจจะติดสงบติดสงบแล้วมันก็เป็นตัวทำให้เนิ่์นช้า เพราะว่ามันก็เป็นความหลงอีกแบบหนึ่งเรียก่าความหลงสีขาวนะมันก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรษษิญสติแต่ว่าก็อย่าไปยึดติดอยู่กับ2รูปแบบนี้เท่านั้นมันช่วยมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเราต้องรู้จักประยุกต์การเจริญสติไปกับอิริยาบถ อ, อื่นหรือไปกับการทํากิจอื่นด้วยในเวลาที่เราไม่ได้เดินจงกรมสร้างจังหวะ เช่นเวลาเราเดินกับกุฏิเวลาเราอถอดเสื้อผ้าเวลาเราอาบน้ำเวลาเรากินข้าวเอบอเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นซึ่งมันมีอยู่มากในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เป็นแบบฝึ้นัานในการเจริญสติได้รวมทั้งการกวาดบ้านการถูฟันต้องรู้จักประยุกต์นะเอา การจลสติมาใช้กับอิเลบกเหล่านี้ด้วยซึ่งมันก็มีหลักง่ายๆนะก็คือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นแหละตัวอยู่ในห้องน้ําใจก็อยู่ที่ห้องน้ําตัวอยู่ศาลาหอตายใจก็อยู่ที่ศาลาหอตายตัวอยู่ที่กุฏิใจก็อยู่ที่กุฏิอรือกลับไปบ้านนะตัวอยู่ในตัวอยู่ที่บ้านใจอยู่ที่บ้านตัวอยู่ที่ทํางานใจอยู่ที่ทำงาน ไม่ให้ตัวอยู่บ้านแต่ใจอยู่ที่ทํางานหรือตัวอยู่ที่ทํางานใจอยู่ที่บ้านอันนี้เรียกว่าใจลอยแนละ้วไม่มีสติอันนี้ถ้าจะดูให้มันละเอียดก่อนหน่อยดูให้มันละเอียดยิ่งขึ้นนะในการเจริญสติหรือการรับรู้เสียงต่างอย่างมีสติเนี่ยมันก็จะมีมีหลักอยู่นะว่าหมายถึงการรับรู้ที่เกิดขึ้น เมื่อเราใส่ใจสิ่งใดซึ่งหนึ่งอย่างตั้งใจใส่ใจหรือรับรู้สิ่งใดซึ่งหนึ่งอย่างตั้งใจไม่ใช่ว่าไปรับรู้ด้วยความไม่รู้เนืรู้ตัวหรือแบบไม่ตั้งใจอย่างเช่นเนะ่ยเคยไปบินทบาตนะในหมู่บ้านนะีแล้วก็มีเด็กเนะี่ยผู้ชายเนี่ย ยืนรอใส่บาทพอพระมายืนอยู่ข้างหน้าเขาเขาลังจะหยิบข้าวเหนียวใส่ไปใสใ่ในบาทตัวเมื่อนมีหมาเห่าอยู่ข้างหลังหมาเหา่าหมากัดกันนะนะอยากชายก็หันไปมองหมาในการที่ไปสนใจ หมาเนี่ยที่กำลังกัดกันอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นการรับรู้โดยไม่ตั้งใจความตั้งใจของเด็กคือว่าเนี่ยจะใส่บาตแต่พอได้ยินเสียงหมาเหา่าก็หันไปมองแล้วก็สนใจเสียงหมาเห่าอย่างไงจนลืมเลยนะว่ากำลังกำลังใส่บาตพระและ้วพระก็ยืนรออันนี้เรียกว่าความสนใจของเด็กเนี่ย มันเป็นความสนใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนะคือไปสนใจเสียงมาเหาเราคงเจอแบบนี้บ่อยๆนะกํลาลังเดินจงกลมแล้วบางทีมีเสียงมาเหาอยู่ใกล้ๆใจเราก็ไปเพ่งหรือไปจดจ่อยที่เสียงม้านั้นเลยโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว อยู่บางทีมีคนคุยกันเนี่ยคุยอยู่ข้างๆไ อ, อ้เราลำคาญไม่ชอบใจก็ไม่ไปอยู่ที่เสียงคนคุยทั้งที่กําลังเดินจงกรมอันนี้เราว่าความสนใจหรือความรับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้เจตนาแต่มันเผล อ, อการรับรู้ โดยเผลอไปรับรู้เนี่ยนี่เรียกว่าไม่ใช่การรับรู้อย่างมีสติแล้วการรับ hmm, ร so like like ู้กันย่งมีสตินั่นคือการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างตั้งใจอย่างมีเจตนาไม่ใช่แวบไปอันนี้รวมหนึ่งความคิดด้วยนะถ้าคิดโดยตั้งใจนี่ก็อันนึงแต่ถ้ามันมีความคิดโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ไปจมอยู่ความคิดนั้นเนี่ยอันนั้นก็เรียกไม่มีสติ อีกงานที่หนึ่งสองสิ่งที่รับรู้เนี่ยมันเป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันไม่าจะเป็นรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัสหรือว่าความทรงหรือว่าความคิดก็ตามแต่บ่อยครั้งเราะพบว่าในเราไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วโดยที่เราไม่รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราที่เป็นปัจจุบัน อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะคิดเรื่องอดีตไม่ได้นะเราจะคิดทบทวนเรื่องอาราที่ผ่านมาคิดรบทรวนงานการที่ผ่านมาถ้าเราทําโดยตั้งใจอันนั้นก็ถือเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันนี่มันหมายถึงว่ากิจที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นมันไม่ได้หมายถึงวินาทีนี้ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเราจะกําลังคิดถึงเรื่องการวางแผนอานาคตอันนั้นก็เป็นเรื่องปัจจุบันได้เหมือนกัน แล้วการที่สคือว่าเมื่อเรารับรู้สิ่งใดก็ตามเนี่ยเรารับรู้แบบไม่ตัดสินนะรับรู้แบบไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วนะยินน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีคือรับรู้ด้วยใจที่เป็นกลาง น, นั่นทีรวมถึงความคิดที่มันผุดขึ้นมาดยแล้วเราไปรับรู้มันฮัลโหพรองคเขียนท่านบอกเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างเนี่ยนี่คือความหมายเนี่ยคือไม่ตัดสิน ไม่ตัดสินว่าดีหรือแย่บวกหรือลบแค่รู้เฉยๆอันนี้แหละคือความหมายการรู้สื่อๆไม่ว่าสิ่งที่รู้มันจะเป็นอารมณ์ภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าท ร, รมา ร, รมณ์ทำอารมณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่ใจคิดนึก หรืออารมณ์ที่มันเคยขึ้นกับใจเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกมากเพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินนะหรือว่าให้ค่ากับสิ่งต่างๆว่าบวกหรือลบว่าดีหรือไม่ดีนะชอบหรือไม่ชอบนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาใช้นะ ในการพิจารณาได้ว่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังรับรู้อย่างมีสติไหมนะสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเราเรารู้ด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่เจตนาหรือมันเผลอไปแล้วสิ่งที่เรารับรู้เป็นปัจจุบันไหมหรือมันเป็นอดีตหรืออนาคตแล้วเรามีการนะตัดสินหรือเปล่าหรือว่าเรารับรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางการที่เรารับสิ่งต่างด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยนะมันสําคัญนะ เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะเราเรารับรู้สิ่งต่างๆมากมายเราเรียกว่ามีสิ่งมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยตลอดทั้งวันสิ่งที่กระทบนะมันก็ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมทางพระเรียกว่าไอตนะ6 แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระทบเฉยๆนะบ่อยครั้งมันกลายเป็นสิ่งเราสิ่งกระตุ้นคือพอกระทบแล้วเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจนะเกิดความยินดีร้ายเกิดความชอบความชังหรือว่าเกิดสุขและทุกข์ขึ้นมา แล้วมันก็ผลักให้เราเนี่ยพูดหรือทำในสิ่งต่างๆในอำนาจของมันสิ่งเล่าสิ่งกระตุ้นเนี่ยพอถ้ามันทำให้เราเกิดความยินดีเกิดความชอบเราก็อยากได้นะบางทีก็ทุ่มเท ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นมาจนทั่งเรากลายเป็นท่าของมันไปเลยเ อ, อย่างง่ายๆเนี่ยบุหรีเรลายาเสพติดนะไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งเรานะรวมถึงการมาคุณความสุขจากการสัมผัสจากการเสพเนี่ย ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของเพศอย่างเดียวนะอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเราพอมันกลายเป็นสิ่งเราแล้วเนี่ยนะถ้าว่ามันทำให้เราเกิดความพอใจหรือกระตุ้นให้เกิดความพอใจขึ้นมามันก็มีอำนาจเหนือเราเราดิ้นรนแสวงหาให้ได้มันมา แล้วเราก็สุขทุกไปตามหน้าของมันหรือถ้าว่าเป็นสิ่งเราให้เกิดอารมณ์ทางลบนะแทนที่ใจเราจะขึ้นก็กลับตกลงเกิดความยินร้ายเกิดความไม่พอใจเราก็จะหนีแล้วเราก็จะเกิดอาการคือความทุกข์ บางคนบางคนเนี่ยที่จริงเข็มฉีดยาเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่ว่าหลายคนพอเห็นแล้วเนี่ยมันก็ตุนเราให้เกิดความกลัวทําให้เกิดความดันขึ้ น, น, นคนที่กลัวเข็มฉีดยาหรือคนบางคนเนี่ยที่จิงก็หลายคนนะพอเจองูเนี่ยเจองูเนี่ยมันไม่เพียงแค่ตกใจนะแต่ว่ามีอาการ <c oughs> ทางกายเกิดขึ้น มันเป็นสิ่งเลาที่ชัดเจนหลายคนเนี่ยพอเจอก็หนีเลยแต่บางคนเจอก็อดรนทนไม่ได้ <c oughs> ต้องหาไม้ต้องหาอะไรมาตีมันจนตายหลายคนตีงูเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะกลัวแล้วมันมันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้มอนในแง่นี้เนี่ยสิ่งเลา่านะ มันรู้แล้วแต่ทําให้เราเนี่ยเป็นธาตของสิ่งว่าล้อมคนเราไม่สามารถจะเป็นนายตัวเองได้เพราะว่าเราถูกสิ่งว่าล้อม เ, อเราถูกสิ่งเราเนี่ยมาคร่อมงําจิตมาบงการจิตของเราไม่ว่าทางบวกหรือทางลบแล้วคนเราทุกเนี่ยก็เพราะว่าปล่อยให้สิ่งกระทบต่างๆมันกลายไปสิ่งเรา แล่ ว, ว่าและที่มันเร้ามันเร้าอารมณ์ด้วยระตุนให้เกิดความโกรธความเกลียดความชอบความอยากแล้วอารมณ์พวกนี้ก็มาครอบ ง, งำใจเราอีกทีหนึง่งในทุกวันนี้เราตกเป็นท่ายของแอตนา6เป็นท่ายของสิ่งเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นสิ่งเรา แทนที่จะปล่อยให้มันมาเราจิตกระตุ้นใจเราหรือแทนที่จะปล่อยให้เราตกเป็นท่าของอารมณ์ต่างๆไม่ว่าบวกหรือลบถ้าเราเนี่ยเพียงแค่รับรู้มันเฉยๆหรือเพื่ออคือเปลี่ยนจากสิ่งเราให้กลายเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้มันจะมี มันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะต่อจิตใจและชีวิตของเรามากทีเดียวเลยนะเพราะสิ่งเราเนี่ยก็คือเราถูกมันเรา้านะเราถูกมันกระทําไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าธรรมารมณเราถูกมันกระทําเราถูกมันครอบเราถูกมันผลักใสแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนให้สิ่งเร้า มากลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนะก็คือเราไปรู้มันเรากลายเป็นผู้กระทาไปแล้วคือรู้มันและสิ่งเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสหรืออารมณ์เนี่ยพอมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะ มันจะหมดที่สรงลงไปเลยเสียงที่เคยทำให้เราหงุดหงิดลำคาญว่าเป็นสิ่งที่เร้าจิตกระตุ้นใจเราแต่พอเรารับรู้มันนะยังมีสติมันจะกลายเป็นสิ่งกลางๆที่ไม่มีอำนาจเหนือรอยต่อไปอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะอารมณ์ที่มันเคยร้าจิต กระตุ้นใจหรือบงการเราให้พูดหรือทําอะไรหลายถึงหลายอย่างที่ทําให้เราเป็นทุกข์หรือเสียใจเช่นความโกรธความเกลียดตันหาราคะเนี่ยเจ้า ก, ก่อนมันกระตุ้นเรานะมันเร่าให้เราทํานั่นทนํานี่จนเราเป็นท่าของมันแต่พอเราเปลี่ยนมนให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะโกรธเกิดขึ้นก็ รู้ว่าโกรธเกลียดเกิด ข, นะขึ้นก็รู้ว่าเกลียดนะปัญหาเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่ตัญหาอยากเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่อยากพอมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะมันก็จะค่อยฝ่อตัวลงไปเลยมันจะไม่มีอํานาจเหนือเราในทางตรงข้ามนั้นเรากลับมีอานาจเหนือมันเพราะเรา สามารถที่จะใช้มันได้อารมณ์ทุกอย่างเนี่ยนะถ้าเราเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะมันสามารถจะมีประโยชน์ได้นะแม้กระทั่งความโกรธแม้กระทั่งความโลภเพราะว่ามันสามารถจะสอนให้เราเข้าใจนะธรรมชาติของความจริงนะทำให้เราเห็นอ น, นิจจังทุกขอังอนัตตาได้ชัดเจน จากเดิมที่มันมีอำนาจเหนือเรานะมันกลายเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราไปซะและ้วและสิ่งที่จะช่วยทำให้สิ่งเราสิ่งกระตุ้นเนี่ยนะมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นนะก็คืออะไรคือสติคือความสึกตัวนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยเป็นความสึกตัวเนี่ยรูปรสกลิกลก่นเสียงต่างๆหรือ ต, ต้องทำอารมคือหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ย ที่เคยมันเราจิตเล้าใจหรือมาบงการชีวิตเรานี่นะมันจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นไปเลยแล้วกลายเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราจะไม่มีอำนาจบงการเราอีกนะซึ่งมันก็หมายความทำให้เราเป็นอิสระนะจากสิ่งกระทบถ้าเราปลยสิ่งกระทบมันกลายเป็นสิ่งเราสิ่งกระตุ้นนะเราแย่นะ เราก็ถูกมันบงการไม่ว่าจะกระตุ้นให้อยากมีอยากได้หรือกระตุ้นให้เกลียดอยากผักายอยากทำลายถ้าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์ก็เพราะการที่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งเล่าสิ่งกระตุ้นจนมันมีอำนาจเหนือเราเราต้องรู้จักเปลี่ยนนะสิ่งเรา่าสิ่งกระตุ้นให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นแล้วมันจะ ทำให้เราเนี่ยนะไม่ได้ไม่ตกเป็นท่าของสิ่งไวสิ่งภายนอกหรือสิ่งกระทบอี่ต่อไปแถนได้ประโยชน์ด้วยนะอะไรเกิดขึ้นกับกับกายและใจก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้ามันกลายเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นไปเพราะมันสามารถจะแสดงนะสัจธรรมให้เราเห็นได้และสัจธรรมเหล่านีน้ก็ทำให้ใจเราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมหรือ เป็นศึกษาจากความทุกข์ได้ฉันฝึกเอาไว้นะฝึกให้ฝึกรับรู้สิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางหรือถึงแม้ว่าจะเผลอปรุงเผลอแต่งเผลอตัดสินให้ข้ามันก็รู้มีอคติเกิดขึ้นไม่ว่าชั้นทาตุคติหรือโมหรือโทสากติก็รู้ทันมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันถึงแม้ว่าจะห้ามใจไม่ปรุงเป็นความโกรธ ปุถุชนเนี่ยไม่ต้องมีความโกรยเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นสิ่งมาบงการจ่าเลกต่อไปถ้ามันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันก็จะหมดพิษส ง, งลงนะแล้วก็จะกลายเป็นประโยชน์กับเรา